วันนี้เป็นวันเสาร์ที่28มีนาคมพุทธศักราช2569เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมได้ในเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำทุระ ของชาวพุทธที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบไว้เพื่อใช้กำจัดความทุกข์ทางใจต่างๆให้หมดสิ้นไป ห, หัวข้อของธรรมในวันนี้จึงเป็นเรื่องธุระของพุทธศาสนิกชนพวกเราชาวพุทธนี้ มีธุระที่เราจะต้องทำต่อพระพุทธศาสนาอยู่สองธุระด้วยกันธุระอันแรกเรียกว่าคันถับธุระแปลว่าศึกษาพระธรรมคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าธุระอันที่สองเรียกว่าวิปัสสนาธุระแปลว่าการทำคำสั่งคำสอนเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ ต่างๆให้ปรากฏขึ้นมาในใจทำให้แจ้งวิปัสสนาแปลว่าทำให้แจ้งคือเรื่องของการหลุดพ้นจากความทุกข์หลังจากที่ได้ศึกษาแล้วก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปการศึกษาเพียงอย่างเดียวนี้ ยังไม่สามารถทำให้ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจดับไปได้หมดไปได้เมื่อศึกษาวิธีดับทุกข์แล้วก็ต้องเอาไปใช้ดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจเมื่อนำมาไปใช้ด้วยการปฏิบัติความทุกข์ต่างๆที่มีใน ใ, นใจก็จะหมดสิ้นไปตามลำดับ นี่คือธุระของพุทธศาส น, นิกชนคือ 1. คันธะธุระศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า 2. วิปัสนาธุระทำให้แจ้งในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้อย่างแน่นอน และการกระทำธุระทั้งสองนี้ต้องทำตามลำดับคือเราต้องศึกษาก่อนแล้วเราค่อยไปปฏิบัติเพราะว่าถ้าเราไม่ศึกษาเราจะไม่รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อปฏิบัติไม่ถูกต้องถ้านำมาไปปฏิบัติก็จะไม่เกิดผลขึ้นมาดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือคันธะธุระ ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าการจะศึกษาพระคำคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ <c oughs> ต้องศึกษาจากแหล่งที่แท้จริงเหมือนเวลาเราไปซื้ออะไรลรถยนต์อะไรรถยนต์ก็มีทั้งของแท้และของเทียมถ้าเราอยากจะได้ของที่มีคุณภาพสามารถที่จะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเราก็ต้องไปซื้อจาก แหล่งที่เป็นของแท้คือไปซื้อกับบริษัทที่ผลิตอะไรเหล่านี้โดยตรงเราก็จะได้อะไหล่แท้ถ้าเราไปซื้อที่อื่นเราอาจจะไม่ได้อะไหล่แท้อาจจะได้อะไหล่เทียมถ้าอะไหล่เทียมก็อาจจะไม่มีสปิสิทธิภาพที่จะทำให้เอามาใช้ให้เกิดคุณประโยชน์ได้อย่างสูงสุดได้ สันญาการศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เราต้องศึกษาจากพระรัตนตรัยเท่านั้นคือจากพระพุทธเจ้าก็ดีหรือจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือจากพระอริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้าก็ดีเท่านั้นเพราะบุคคลทั้งสามนี้เป็นผู้ที่มีคำสอน ที่ถูกต้องคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าตอนนี้เราไม่สามารถศึกษากับพระพุทธเจ้าได้โดยตรงแล้วเพราะพระพุทธเจ้าท่านจากพวกเราไปเป็นเวลาอันยาวนานแล้วสองพันกว่าปีสพันาร้อยกว่าปีด้วยกันแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะจากพวกเราไปพระพุทธเจ้าทรงจัดไว้ว่าถึงแม้เราจะจากพวกเธอไป แต่เรายังอยู่กับพวกเธอต่อไปเรายังเป็นศาสดาของพวกเธอได้ถ้าเธอเข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า<ม>ถ้าเธอศึกษาพระธรรมคำสอนที่เราได้ส่งแสดงไว้ตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันเธอก็จะยังมีศาสดาคือมีเราเป็นผู้เป็นศาสดาสั่งสอนพวกเธออยู่ พระธรรมคำสอนที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีด้วยกันนี้ก็ได้มีการจดจำกันแล้วก็ถ่ายทอดกันมาเป็นลำดับจนในที่สุดก็มากลายเป็นหนังสือพระคำภีพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนี้เป็นหลังของคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ได้ไม่ไม่ได ไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าแต่เราอยากจะได้ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นของแท้ของจริงของเดิมเราก็ไปศึกษาได้จากพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนี้คือพระธรรมคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าได้มีการสังคารนาคือการตรวจสอบข้างหน้าก็โดยพระอาหารหันต์สังห้า้อรูปด้วยกัน พระอรหันต์นี้เป็นผู้ที่รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนเพราะได้เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติจนสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้สามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของตนเองได้ยึงรู้ว่าคำสอนคำไหนเป็นคำสอนที่ถูกหรือเป็นคำสอนที่ไม่ถูก แล้วยิ่งถ้ามีภาพอาหารถึงห้าร้อยรูปมาประชุมกันมาตรวจสอบกันยิ่งทำให้สามารถที่จะยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าคำสอนที่พรดเจ้าได้แสดงไว้และได้มีการจดจำมานี้เป็นคำสอนที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรส่วนไหนที่ไม่ถูกต้องก็คาตัวออกไปส่วนไหนที่ถูกต้องก็เก็บเอาไว้ นี่คือที่มาของพระไตยปิฎกเป็นคำสั่งคำสอนที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ทุกวัน45ปีด้วยกันหน้าที่ของพระเจ้านี้มีอยู่4หน้า5 ห, หน้าที่ด้วยกันในในแต่ละวันหน้าที่แรกก็เสด็จออกบิณฑบาตเลี้ยงชีพก่อนต้องเลี้ยงร่างกายให้มีกำลังวังชาแล้วพอตอนบ่ายก็แสดงธรรมโปรดศรัทธาญาติโยมข่าวราผู้ครองเรือน พอยามค่าก็แสดงธรรมให้กับพ้าภิกษุภิกษุณีสมมาเส ม, มาเณรสามเณรเลยแสดงธรรมให้กับพวกนักบวช ย, ยามดึกก็ทรงแสดงธรรมโปรดเทวดาแล้วก็ยามเช้าก่อนจะเสด็จ อ, ออกบินทบายก็ทรงเร่งยามดูว่าวันนี้จะไปแสดงธรรมโปรดใครเป็นกรณีพิเศษบุคคลที่อาจจะต้องตายไปในระยะเวลาอันใกล้ แต่มีความพร้อมที่จะบรรลุธรรมได้ถ้าได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแม้แต่เพียงครั้งเดีย ว, ว <Bose. S 2> พระองค์ก็จะส่งมุ่งไปโปรดบุคคลนั้นเป็นกรณีพิเศษในแต่ละวัน <Bose. S 1> นี่คือพุทธกิจห้าสี่ข้อนี้เป็นการแสดงธรรมโปรดสัตว์ข้อที่อีกข้อหนึ่งคือข้อบินสบายก็โปรดสัตว์เหมือนกันให้สัตว์ได้มีโอกาสได้ทาบุญทาทานกับพระพุทธเจ้า แล้วอีกสข้อก็เป็นการแสดงธรรมสั่งสอนทำให้กับผู้ที่ปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะทำให้ความทุกข์ต่างๆที่มีในใจนี้หมดสิ้นไปได้นี่คือแหล่งแรกที่เราสามารถที่จะศึกษาได้อย่างมั่นใจ ว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องเราจะได้ไม่ต้องรังเลยสงสัยว่าทาข้อนี้ได้หรือไม่ไม่ไม่ควรทาข้อนี้หรือควรทาข้อนั้นอย่าไม่ต้องสงสัยเพราะว่าสิ่งที่พรกเจ้าทรงสอนนี้เป็นคำสอนที่ต้องทำต้องปฏิบัติตามทุกข้อไปจะได้กำจัดความรังเลยสงสัยความไม่มั่นใจในพระธรรมคำสอนว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องหรือไม่ ถ้าศึกษาจากพระไตรปิฎกนี้มัน่นใจได้ร้อยอร์ซ์ว่าเป็นคําสอนที่ถูกต้องสามารถนํามาไปใช้ในการดับความทุกข์ทางใจได้หมดสิ้นไปอย่างแน่นอนนี่คือแหล่งที่แหล่งความรู้ที่เป็นของแท้ของจริงก็คือพระไตรปิฎกอีกแหล่งหนึ่งที่สามารถเป็นแหล่งของความรู้ที่แท้จริงที่ถูกต้องได้ก็คือ ศึกษาจากพระ อ, อริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าศึกษาจากพระโสดาบันพระสกิรดาคามีพระ อ, อนาคามีพระ อ, อนาหาันบุคคลเหล่านี้ท่านก็จะรู้วิธีดับความทุกข์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำสามารถที่จะศึกษาจากบุคคลเหล่านี้แล้วนำมาไปใช้ในการดับความทุกข์ของตนได้อย่างแน่นอน ทังนั้นเรามีเพราะมีแหล่งของความรู้ที่ถูกต้องก็คือในพระรัตนาตราัยนีงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราให้ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งก็หมายถึงว่าเป็นที่พึ่งทางความรู้เป็นที่พึ่งในการเรียนรู้เป็นเป็นครูเป็นอาจารย์ของพวกเราเราจะไม่นับถือพูดเป็นครูบาอาจารย์ถ้าเกี่ยวกับเรื่อง การดับความทุกข์ทางใจเพราะไม่มีใครในโลกนี้สามารถที่จะสอนให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจได้มีแต่พระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเองที่จะสามารถสอนให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ <Evet. S 1> ถ้าเราต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์เราต้องศึกษาจากพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราศึกษาจากบุคคลอื่นจากสถาบันอื่นจากหนังสือจากตำราอื่น เราจะได้ม่เราจะไม่ได้รับความรู้ที่ถูกต้องเราจะไม่สามารถนำเอาความรู้เหล่านั้นไปดับความทุกข์ทางใจได้นี่คือความหมายของการถือสาระนะเป็นที่พึ่งอาศัยความรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสอนให้เราใช้วิธีดับความทุกข์ต่างๆได้อย่างแน่นอนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถที่จะไป ถือผู้นั้นผู้นี้เป็นอาจารย์เราได้ถ้าเราเรียนวิชาอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับวิธีวิชาดับความทุกข์ของใจนี้เราสามารถเรียนรู้จากผู้อื่นได้เช่นเราไปโรงเรียนแล้วก็เรียนรู้จากครูจากอาจารย์ต่างๆที่สอนวิชาต่างๆแต่วิชาต่างๆที่ครูอาจารย์เหล่านั้นสอนนี้ไม่ใช่เป็นวิชาดับความทุกข์ทางใจวิชาต่างๆที่เราเรียนรู้จากสถาบันการศึกษาต่างๆนี้ เราไม่สามารถนํามาใช้ดับความทุกข์ทางใจได้เอามาใช้เป็นเครื่องมือทำรรมาหากินได้<ม>เรียนจบปริญญามีวิช า, ามีวิชาบัญชีก็สามารถไปทํางานเกี่ยวกับเรื่องบัญชีได้มีมีวิชาความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างก็ไปทํางานก่อสร้างมีวิชาความรู้เกี่ยวกับการออกแบบก็ไปทําอาชีพเกี่ยวกับการออกแบบได้ อาชีพเหล่านี้วิชาเหล่านี้เราเรียนรู้ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะไม่ต้องเรียนไม่ให้เรียนรู้เรียนรู้ได้แต่ให้รู้ว่าวิชาเหล่านี้ไม่ใช่เป็นวิชาที่จะทําให้เราดับความทุกข์ทางใจของเราได้เท่านั้นเองถ้าเราอยากจะดับความทุกข์ทางใจเราต้องเรียนรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นพระพุทธเจ้าพระพระธรรมคําสอนในพระไตรปิฎกนี้ เป็นของที่แน่นอนร้ซแต่พระสงฆ์นี้เราต้องรู้จักแยกแยะเพราะพระสงฆ์นี้มสีสองชนิดด้วยกันพระสงฆ์ที่เป็นพระอริยะบุคคลและพระสงฆ์ที่เป็นปุถุชนถ้าเราเรียนรู้จากพระสงฆ์ที่เป็นพระปุถุชนนี้ท่านยังไม่สามารถสอนวิธีดับความทุกข์ให้แก่เราได้เพราะตัวท่านเองนั้นท่านก็ยังไม่ได้ ดับความทุกข์ในใจของท่านเองท่านยังเป็นปุตุชนอยู่ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมต้องไปศึกษาจากพระอริยบุคคลที่เป็นพระสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นถึงจะสามารถสอนวิธีดับความทุกข์ทางใจได้อย่างแม่นยำนี่คือแหล่งที่เราจะเรียนรู้วิธีการดับความทุกข์ทางใจ พ, พระพุทธธรรมนี้ไม่มีปัญหาเราเรียนจากพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกคําสอนทุกบททุกบาทนี้เป็นคําสอนที่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ทุกประการแต่พระสงฆ์นี้เราต้องรู้จักแยกแยะว่าท่านเป็นพระสงฆ์แบบไหนถ้าเป็นพระสงฆ์แบบพระอริยบุคคลเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้าจากท่านถ้าท่านเป็นปุถุชนนี้เราก็ยังต้องระวัง เพราะว่าคำสอนของท่านอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้วิธีที่จะทำให้เรารู้ว่าท่านสอนตรงหรือไม่ตรงอย่างไรเราก็ต้องไปศึกษาจากพระพุทธเจ้าก่อนศึกษาจากพระไตรปิฎกก่อนศึกษาหลักธรรมคาสอนที่เป็นแกนคำสอนก่อนจากพระจากพระไตรปิฎกเมื่อเราได้รู้แล้วว่าพระเจ้าทรงสอนอย่างไรแล้วเวลาเราไปศึกษากับพระอาจารย์ต่างๆที่เป็นพระภิกษุ ถ้าท่านสอนไม่ตรงกับที่ผู้เจ้าได้ทรงสอนเราก็จะได้รู้ว่าท่านสอนไม่ถูกแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกก่อนจากตำราก่อนแล้วเราไปศึกษากับพระต่างๆเราก็ไม่รู้ว่าท่านเอาคำสอนของท่านนี้มาสอนนี่เป็นคำสอนที่ถูกต้องหรือไม่เพราะไม่มีเครื่องยืนยันไม่มีเครื่องเปรียบเทียบเหมือนกับทองแท้กับทองเกเนี่ย ถ้าเห็นทองอย่างเดียวเราจะไม่รู้ว่าเป็นทองแท้หรือทองเก๋แต่ถ้าเอาสองอย่างมาเปรียบเทียบกันมาพิสูจน์กันเราก็จะได้รู้ว่าอันไหนเป็นทองแท้อันไหนเป็นทองเก๋ได้ดังนั้นถ้าเราจะศึกษาเบื้องต้นนี้คนจะศึกษาจากตำราก่อนตำรานี้ก็ถึงแม้จะมีมากมายกายกองคือพระไตรปิฎกมีถึง8ปดหมสี่พันธรรมบทด้วยกันก็ตา่างแต่มี การคัดลอกเอาคัดเลือกเอาคาสอนที่เป็นแก่นคำสอนที่เอามาใช้ให้กับการปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ทางใจได้อย่างสั้นๆไม่ยุ่งยากไม่ลำบากศึกษาแค่นี้ก็พอศึกษาจากตำราตาราที่ที่จะสอนให้พวกเราดับความทุกข์ทางใจแบบสั้นๆไม่ยุ่งยากนั้นก็มีอยู่ ก็คือคำสอนที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในพระสูตรปารติโมกเขเร่าอะไรปารติโมกอุปโปอะไรเนี่ยที่แสดงไว้ในวันมาฆาบูช า, า, า, ชาก็คือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะทรงสอนวิธีการดับความทุกข์ไว้สามข้อด้วยกันพระสูตรนี้ชื่อว่าโอวาทาปาติโมก จะทรงให้ทรงสแสดงว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์หลังจากที่ได้ตัดสั้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วก็จะเอาวิธีของการดับความทุกข์นี้มาสอนให้แก่สารโลกมีอยู่สามหัวข้อใหญ่ๆด้วยกันข้อที่1ก็คือให้ละการกระทำบาป ท, ทั้งปวงข้อที่สองให้ทำบุญทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมข้อที่สให้ชาระจิตใจให้สะอาดบริสุทธ กำจัดความโลภความโกรธความหลงตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจอยู่เรื่อยๆนี่ถ้าเราสามารถปฏิบัติสามข้อนี้ได้เราก็จะสามารถหยุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ถ้าเรารู้แล้วว่า ว, วิธีดับความทุกข์นี้ต้องดับด้วย3ามวิธีนี้คือละการกระทำบาปทำบุญทำกุศลทักพอกจิตใจให้สะอาด ด้นต่อไปเราก็ศึกษารายละเอียดว่าบาปมีอะไรบ้างละบาปที่เราต้องละมีอะไรบ้างบุญที่เราต้องสร้างมีอะไรบ้างการซักพอกจิตใจนี้ซัพอกพ่ออย่างไรให้สะอาดบริสุทธิ์อันนี้เราก็ต้องไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปแต่อย่างน้อยเรารู้หลักแล้วว่ามีอยู่แค่สามหัวข้อนี้เท่านั้นองแล้วถ้าเราไปศึกษากับพระ พระท่านก็นจะสอนสามข้อนี้ในรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับเราได้เช่นการกระทำบาปมีอะไรบ้างท่านก็นจะสอนว่ามีการฆ่าสัตว์มีการลักทรัพย์มีการประพฤติผิดในการมีการพูดปดมีการดื่มสุรายาเม า, าการกระทำห้าข้อนี้เป็นบาปจะนำไปสู่ความทุกข์ต่างๆจะสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นกับใจ และจะนําให้ใจต้องไปรับใช้ผลบาปในอบายที่มีแต่ความทุกข์ในภพต่อไปด้วยเช่นจะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นอนุสุลกายบ้างไปตกนรกบ้างสี่ข้อนี้สี่ที่นี้มาจากเหตุคือการกระทําบาปหข้อด้วยกันฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดปน่น ดืช ร, รายาเมาถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์จากการประพฤติถ้าเราไม่อยากจะต้องไปรับผลบาปในอบายเราก็ละเว้นการกระทำบาปทั้งห้าข้อนี้ด้วยการสมาทานถือศีลห้าไปตลอดชีวิตต่อไปนี้เราจะไม่ทำบาปราถือศีลห้าปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทธังสมาธิยามิเป็นต้น กาพระเจ้าจะละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมละเว้นจากการพูดปลดละเว้นจากการดื่มโซลายาเมาและสิ่งเสพติดต่างๆที่ทำให้ไม่ไม่มีสติประคับประคองใจเพราะเวลาไม่มีสติแล้วเวลาคิดจะทำบาปก็ไม่มีไม่มีอะไรจะมายับยั้งได้นั่นเองแต่ถ้าไม่ดื่มโซลาไม่มึนเมาไม่เสพ ของมึนเมาต่างๆก็จะมีสติสัมผัสชัญญะเวลาคิดจะทำอะไรไม่ดีก็ยังสามารถระงับได้ถ้าเพียงแต่คิดยังไม่เป็นบาปแต่ถ้าคิดแล้วปล่อยให้เกิดจากเป็นการกระทาทางกายทางวาจาแล้วก็จะเป็นบาปขึ้นมาจะสร้างความทุกข์ให้กับใจขึ้นมา ท, าทันทีแล้วก็จะส่งให้ใจไปเกิดในอบายต่อไปนัง น, นี่คือข้อที่หนึ่งในการดับความทุกข์ให้เราดับความทุกข์ด้วยการไม่กระทําบาส น, นี้เป็นธุระที่สองที่เรียกว่าวิปัสนาธุระคือปฏิบัติแล้วเมื่อเรารู้ว่าเราต้องละบาปไม่ทําบาปห้าข้อเราก็ต้องไปสมาทานศีลกันจะไม่ทํำบาปต่อไปเรียกว่าเป็นการปฏิบัติทําให้ความทุกข์ที่เกิดจากการกระทําบาปนี้ดับไปได้ ถ้าเราไม่ทำบาปแล้วความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาปมันเกิดขึ้นไม่ได้แต่ถ้าเราทำไปแล้วความทุกข์มันเกิดขึ้นได้เช่นเราไปฆ่าคนดูดเฆ่าแล้วความทุกข์ใจเราจะเกิดขึ้นทันทีเพราะเราจะต้องมีความกลัวความวิตกความที่จะต้องคอยถูกเขาตามล่าตามจับตามล้างแค้นต่างๆ แต่ถ้าเราไม่ไปฆ่าใครก็ไม่มีใครก็จะมาตามล่างแค้นเราไม่ตามมาจับเราไปขังคุกขังตารางหรือไปลงโทษนี่คือข้อที่1นึละ ก, การกระทำบาปให้รักษาด้วยการรักษาศี่หข้อที่สองถ้าเราอยากจะมีความสุขกใ็ให้สร้างความสุขด้วยการทำความดีต่างๆทำบุญทำกุศลบุญก็คือการกระทำที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับผู้ ทำให้ผู้อื่นเกิดความสุขกิได้รับประโยชน์จากการกระทาของเราเช่นเราใส่บาตรนีเราก็ได uh, ้เราก็ทำคุณทาประโยชน์ให้กับผู้ที่รับอาหารผู้ที่รับอาหารก็ได้รับคุณประโยชน์จากอาหารที่เราใส่บาตรคือพระสงฆ์ท่านก็จะได้เอาอาหารนี้ไปรับประทานเพื่อดับความทุกข์ความหิวทางร่างกายได้รับประโยชน์ได้รับความสุขจากการกระทาของเรา เมื่อเราทำแล้วเราก็จะได้รับประโยชน์กลับมาในใจเราใจเราก็เกิดความสุขเกิดความอิ่มใจเกิดความปิติขึ้นมาอนี่คือถ้าเราอยากจะมีความสุขให้ทำสุขด้วยการทำความดีอย่าไปทำความสุขด้วยการไปหาสิ่งต่างๆมามาเสกอย่าไปหาลาบยศสรรเสริหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสกเพราะของพวกนี้มันเป็นของไม่เที่ยง มีการมีเสื่อมได้จากสุขมันก็กลายเป็นทุกข์ได้เวลาได้มามันก็มีความสุขเวลามันเสื่อมมันหมดไปก็จะทำให้เราทุกข์ขึ้นมาแต่การทำบุญนี้จะไม่ทาให้เรามีความทุกข์ตามมาเพราะบุญนี้มันจะสะสมอยู่ในใจคอยให้ความสุขความอิู่ใจของเราไปเรื่อยๆอ น, นี่คือข้อที่สองให้เราทำบุญกัน อย่าไปหาความสุขจากการเจ็ลรูปเสียงกิ่นรถซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของแพงๆซื้อของหรูหราซื้อของไม่จําเป็นต่างๆเอาเงินเหล่านี้ไปทําบุญทําทานดีกว่าทําแล้วจะมีความอิ่มใจสุขใจแล้วใจจะไม่หิวโหยกับสิ่งต่างๆเช่นลูกเสียงกิ่นรสราบยศสารเสร ถ้าเราไปเสพยาพยศเสริญเสพรูปเสียงกินิย์มันจะทําให้ใจเราหิวโหวยอยู่เรื่อยๆใจมาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอใจมาแล้วเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็เศร้าใจละความความสุขที่ได้ก็จางหายไปทําให้รู้สึกเศร้าส้อยง่อยเหงาว้าเวีต้องคอยหามาเติมอยเรื่อยๆและเวลาหาไม่ได้ก็จะทําให้เศร้าโศกเสียใจทุกข์ใจอย่าไปหาความสุขจากสิ่งต่าง ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ ที่มีในโลกนี้นอกจากการทำบุญทํทานเทานั้นทำความดีต่างๆแล้วใจเราจะมีความสุขเราจะทำให้เรามีกำลังไปทำกิจข้อที่สก็คือซักพอกใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์การซักพอกใจของเราเราก็ต้องซักพอกด้วยการภาวนาเรียกว่าจิตตภาวนามีสองขั้นขั้นแรกเรียกว่าสามถะภาวนาทำใจให้นิ่งให้สงบ แลขั้นที่สองเรียกวิปัสสนาภาวนาทำใจให้ฉลาดให้ปล่อยวางให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้เป็นทุกข์ถ้าไปได้มาแล้วจะทำให้เราทุกข์ไม่ใช่ทำให้เราสุขเพราะทุกอย่างที่เราอยากได้เป็นของไม่เที่ยงนั่นเองได้แล้วเดี๋ยวมันก็เสื่อมไปหมดไปพอมันหมดไปมันก็ทำให้เราเศร้าทาให้เราเสียใจนีคือการซักพอกใจต้องกาจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากใจ อันแรกด้วยการทำสมาธิสมถะภาวนาทำใจให้นิ่งแล้วความโลภความโกรธความหลงก็จะสงบตัวชั่วคราวเราจะได้เห็นความสุขที่เกิดจากการสงบตัวของความโลภความโกรธความหลงว่าเป็นความสุขอย่างยิ่งมีความสุขที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดเป็นความสุขที่ดีกว่าการได้อะไรมามากมายกายกองขนาดไหนพอเราได้พบความสุขที่แท้จริงแล้วถึงแม้จะเป็นความสุขชั่วคราว พอเราออกจากสมาธิมาพอเกิดความอยากจะไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้เราก็จะไม่ไปเราจะรู้ว่าเราอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบดีกว่าในการที่จะทำให้ใจเราสงบตลอดเวลาเราก็ต้องคอยกาจัดความอยากต่างๆที่มาสร้างความหิวสร้างความอยากให้เราต้องไปดิน้นรนหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเรา พอเรามีปัญญาเราก็จะสามารถกำจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้พอความอยากหมดไปใจก็จะสงบไป ต, ตลอดเวลาไม่ใช่สงบแบบสมาธิแบบชั่วคราวแต่สงบแบบตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิใจสงบเหมือนอยู่ในสมาธิเพราะตัวที่สร้างความวุ่นวายใจนั้นถูกกำจัดด้วยปัญญาคือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆพอกำจัดได้หมดแล้ว ใจก็ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ใจ<ม>ก็สามารถอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขได้ไปตลอดมไม่มีความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นอีกต่อไปและไม่มีความอยากที่จะไปเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่ไปเกิดความทุกข์ที่ได้จากความแก่ความเจ็บความตายก็จะไม่มีอีกต่อไป<ม>ความทุกข์ทั้งหลายที่เราเคยได้สัมผัสมาอย่างโชคชนก็จะหมดสิ้นไปจากใจเราอย่างถาวรโดยการกระทา หน้าที่ขั้นที่สองคือวิปัสนาธุระนี่เองแต่ก่อนจะทำวิปัสนาธุระได้ต้องทำคันถะธุระก่อนต้องศึกษาวิธีการดับความทุกข์ทางใจที่ถูกต้องที่สอนโดยพระพุทธเจ้าเท่านั้นก็มีอยู่สามหัวข้อด้วยกันละการกระทำบาปทั้งปวงทำบุญทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมชักฟอกจิตใจให้สะอาบริสุทธิ์ จากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจด้วยการบาเพ็ญจิตตะภาวนาถ้าเราทำทั้งสามข้อนี้ได้ความทุกข์ใจที่เคยมีในใจเรานี้จะหายไปหมดมีแต่ความสุขหลงเหลืออยู่ในใจเพียงอย่างเดียวที่เรียกว่า ป, รปรลรมสุขปลมังสุขขังนี่คือความสุข ข, ของพระนิพพานนิบานังปลมังสุขขังความสุขของใจที่สะอาดบริสุทธ ปราะจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี่คือทุธะทุระที่พระเจ้าส่งมอบให้กับพวกเราเพื่อให้พวกเราได้เอามาใช้ในการดับความทุกข์ต่างๆเพื่อให้พวกเราจะได้ไม่ต้องเจอกับความทุกข์อีกต่อไปจะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวการแสดงธรรมสาหรับวันนี้ก็พอดีหมดเวลาพอดีก็ขอให้ท่านจงนําเอาธรรมที่ท่านได้ยินได้ฟังนี้ไปศึกษาและไปปฏิบัติต่อไป แล้ขั้นต่อไปเราก็จะมาปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าในข้อที่สคือการซักพ่อใจให้สะอาดบริสุทธิ์ขั้นที่หนึ่งคือการทําใจให้นิ่งให้สงบ ก, ก, ก, ก็คือการนั่ ง, งสมาธินี่การนั่งสมาธินี้เพื่อทําใจให้นิ่งให้สงบเพื่อซักพ่อจิตใจแบบชั่วคราวเพราะเวลาใจสงบกิเลตันหาเครื่องเศร้าหมองมันก็จะหยุดทํางาน มันก็จะทําให้ใจสะอาดวอนสดขึ้นมาชั่วคราวเราเรียกว่าเป็นนิพพานชั่วคราวก็ได้ยังไม่เป็นนิพพานที่ถาวรนิพพานทิฏฐาวรต้องใช้ปัญญากําจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจแต่เบื้องต้นนี้เราต้องทําใจให้สงบด้วยการใช้สติก่อนเพราะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็เป็นวิธีที่จะต้องทําก่อนเพืจะสามารถไปทําวิธี ขั้นที่สองด้วยปัญญาได้ด้วยการทํำวิปัสสนาได้ต้องผ่านสมถะภาวนาก่อนทําใจให้นิ่งให้สงบให้เย็นให้มีความสุขก่อนเราใช้ปัญญารักษาความนิ่งความเย็นต่อไปเวลาเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาทําใจให้ร้อนก็ใช้ปัญญาคอยกําจัดมันเพื่อให้ใจเย็นต่อไปเรื่อยๆดังนั้นเบื้องต้นเราต้องมาทําใจให้นิ่งให้สงบให้เย็นก่อนด้วยการนั่งสมาธิ การนั่งสมาธินี้ก็ต้องมีวิธีที่ถูกต้องวิธีที่ถูกต้องก็ต้องมีสติและเลกรู้อยู่กับอารมณ์ที่จะใช้กล่อมใจที่เรียกว่ากรรมฐานเช่นคำบริกรรมพุทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกถ้ายังฟุ้งซ่านอยู่ยังดูลมไม่ได้พุทโธไม่ไม่ได้ก็ให้ใช้การสวดมนต์ไปก่อนหรือใช้การฟังเทศฟังธรรมไปก่อนก็ได้เพื่อบรรเทาความฟุ้งซ่านลงไป พอใจหายฟุง้งซ่านพอกลับมาดูลมได้หรือบริการพุโทโธได้ก็ค่อยมาดูลมหรือบริการพุโทโธต่อไปเวลาดูลมหรือพุโทโธก็ไม่ให้เป็นทิ้งไม่ให้ทิ้งพุโทโธไม่ให้ทิ้งลมอย่างใดอย่างหนึง่งจะทําจะใช้ทั้งสองอย่างปนกันก็ได้แต่ใช้อย่างเดียวจะง่ายกว่าจะดีกว่าถ้าทําได้ถ้าใช้ลมก็ดูลมไปที่ปลายจมูกจนกลาดใจจะรวมเป็นสมาธินิ่งสงบขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ต้องทําอะไร เพราะเมื่อใจสงบไม่ดิ้นแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรถ้าใจยังดิน้นยังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ต้องผูกใจให้อยู่กับพุโทโธให้อยู่กับลมหายใจไปตลอดอย่าไปสนใจกับอะไรที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ทำสมาธิอาจจะมีความปิติมีความสุขเกิดขึ้นมีมีความรู้สึกอะไรต่างๆขึ้นมาก็อย่าไปสนใจมีภาพมีเสียงอะไรเข้ามาก็ไม่ต้องไปสนใจ มีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปสนใจถ้าสนใจแล้วจะเข้าสู่ความสงบไม่ได้ถ้าต้องการให้เข้าสู่ความสงบให้นิ่งให้สงบให้เกิดความสุขันยิ่งใหญ่ขึ้นมาเราต้องมีสติผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานเพียงอย่างเดียวถ้าใช้พุทธโธก็อยู่กับพุทโธไปเพียงอย่างเดียวถ้าใช้ลมหายใจก็อยู่กับลมหายใจไปเพียงอย่างเดียวแล้วใจถึงจะสามารถเข้าสู่ความสงบได้พอสงบแล้วก็ไม่ต้องทําอะไร ใจก็ไม่พรใจไม่ดิน้นไม่ทำอะไรเราก็อยู่กับความสงบอยู่กับความสุขนั้นไปจนกว่าสติจะอ่อนลงแล้วจะเริ่มถอนออกจากสมาธิถ้าเรายังมีเวลาอยากจะนั่งต่อเราก็เริ่มดูลมใหม่เริ่มบริกรรมพุทธโธใหม่อีกรอบก็ได้นี่คือวิธีการทำสมาธิเราต้องการทาใจให้นิ่งให้สงบไม่ต้องการรู้อะไรไม่ต้องการพิจารณาอะไรไม่ต้องการพิจารณาเกิดดับอะไรทั้งสิน้น อันนี้ยังไม่ใช่เวลามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องวิปัสนาเรื่องต้องคนละเรื่องกับเรื่องสองสมาธิต้องทำสมาธิให้ได้ก่อนถึงจะสามารถไปพิจารณาเรื่องเกิดยั่งดับได้ต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันประมาณสามสิบประมาณยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่หนาทีด้วยกันอตอนนี้เวลาสำหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเริม โตรวจสังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีไหมถ้าสงบดีก็ให้จดจําวิธีนั่งของวันนี้ไว้แล้ววันหน้าเวลามานั่งก็ใช้วิธีนี้ต่อได้เลยก็จะได้รับความสงบเหมือนวันนี้แต่อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะมันจะไม่สงบมันจะสงบต้องนั่งด้วยวิธีที่เรานั่งในวันนี้ถ้ายังไม่สงบวันนี้แสดงว่าสติเรายังมีไม่มากพอเราควรจะฝึกสติให้มากขึ้นในระหว่างวัน มันจเจริญพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆหรือม่อนเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายไปจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวอย่าปล่อยให้ใจลอยไปคิดกับเรื่องอื่นแล้วต่อไปเราจะมีสติเพิ่มมากขึ้นเวลานั่งสมาธิก็จะสงบได้ง่ายขึ้นและต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พรยะท้าวไรวาภูราปริปุเรนติสาขลางัง เอวเมววิโตทินังเปตานังอุปการปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดเมววสมมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนาราโสยธามณีโชติราโสยธาสัพพิติวิวัชจนตุ สัพพโรโควินาสตุมาเตภวะตวันตราโยสุขีธีกายุโกภวะอภิวาธนสีลิสานิจามุทาปจายิโนจตารธรรมวทานติอายุวันโอสุขังภาลั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 231ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์277 YouTube ดรวี37วิทยุออนไลน์5คลับ H ฮาส์2นกกุติ140รวมทั้งหมด692ท่านค่ะคำถามจากผู้รับฟังนักกุติค่ะ เราผมยังมีครอบครัวที่ต้องดูแลแต่ต้องการทําบุญกุศลให้มากๆเพื่อเป็นสเสบียงผมต้องหาเงินให้เยอะๆถือว่าเป็นความโลภหรือไม่ครับไม่จําเป็นจะต้องหาเงินเยอะๆหรอเพราะว่าบุญกุศลไม่ใช่อยู่ที่การใช้เงินทําอย่างเดียวเพียงแต่เราทําความดีทําหน้าที่ของเราไม่ให้บกพร่องแล้วก็าภาวนาไหว้พระสวดมนต์อันนี้ก็ได้บุญกุศลเหลือหลายแล้ว อย่าเสียเวลากับการไปหาเงินมาเพื่อจะมาเอามาทำบุญไม่มีเงินก็ไม่ต้องทำทำาย่างทบุญอย่างอื่นได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ทำงานทำการทำอะไรที่ไม่ต้องใช้เงินทำคุณทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้แล้วก็นั่งสมาธิแผ่เมตตาอะไรทำนองนี้จะดีกว่าดีกว่าเวลาไปหางานหาเงินมาเพราะมันจะทำให้เสียเวลามากแล้วก็ จะวุ่นวายใจพยายามตัดการทำงานให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้คำถามจากผู้รับฟังนะ้ากุติคะ่ะการปล่อยก็ว่างนั้นจริงแท้แต่การปล่อยนี้ทำให้จิตนั้นสุขว่างสงบ ใเมื่อถึงจุดที่สุดของความว่างแล้วนั้นยังติดซึ่งสิ่งหนึ่งคือการยึดติดในพุทธธรรมสังฆะซึ่งเป็นสิ่งยึดสุดท้ายใช่หรือไม่ครับแต่ในที่สุดการปล่อยในวาระการปล่อยในวาระสุดท้ายจริงแล้วคือการปล่อยพุทธธรรมสังฆะเพื่อไปสู่คําว่าปล่อยวางทั้งมวลไม่ปล่อยละพุทธธรรมสังฆะนี้เป็นส่วนที่จะอยู่กับเราไปตลอด ยังไม่ต้องไปปล่อยพุทธธรรมสังฆะปล่อยกิเลสปล่อยความโลภความโกรธความหลงปล่อยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองปล่อยอะไรต่างๆทั้งหมดแต่พุทธธรรมสังฆะนี้ไม่ต้องปล่อยพุทธธรรมสังฆะเป็นส่วนประกอบของความบริสุทธิ์ของใจปล่อยไม่ได้คําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะการเห็นความคิดเกิดดับ เป็นการเจริญปัญญาไหมครับเจริญแต่ไม่สำคัญเท่ากับจะเห็นร่างกายเกิดดับมากกว่าพยายามคิดถึงความตายของเราอยู่เรื่อยๆจะได้ประโยชน์กว่าจะได้กำจัดความกลัวตายได้ความคิดเกิดดับมันก็เกิดดับของมันอยู่ตลอดเวลาเราก็เห็นมันอยู่มันไม่มีผลกระทบอะไรกับจิตใจเราเหมือนกับคิดถึงความตายของเราคิดถึงความตายของร่างกายอันนี้แหละมันจะสะเทือนใจ และเราต้องการที่กําจัดความสะเทือนใจให้ได้ด้วยการใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูว่าแล้วความตายเป็นสิ่งที่เราห้ามได้หรือไม่สั่งได้หรือไม่เราก็ห้ามไม่ได้สั่งให้มันไปไม่ได้มีทางเดียวที่จะทําให้เราไม่ทุกข์กับมันก็คือต้องยอมรับมัน <c oughs> เพราะนี่คือธรรมชาติของร่างกายที่ต้องเกิดดับเป็นธรรมดานี่คือสิ่งที่ เราต้องการดูการเกิดการดับนี้ให้ดูการเกิดดับของร่างกายเป็นหลักแล้วก็ดูความเจ็บของร่างกายเป็นหลักร่างกายเดี๋ยวก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวก็ต้องปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้เราจะอยู่กับมันได้หรือไม่อย่างไม่มีไม่มีความทุกข์ใจเช่นปวดฟันก็รู้สึกเฉยเฉยปวดก็ปวดไปปวดหัวก็ปล่อยมันปวดไปปวดท้องก็ปล่อยมันปวดไปตอนที่มันปวดถ้ายังรักษาไม่ได้ก็ปล่อยมันปวดไป แต่ก็ถ้าไปรักษาได้ก็ไปรักษาไม่ห้ามไม่ให้รักษารักษาได้แต่ช่วงที่รักษาหรือกำลังจะไปรักษามันยังปวดอยู่เราต้องไม่ทรมานใจเราต้องสามารถอยู่เฉยๆกับมันให้ได้คาถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะทุกครั้งที่เกิดฟุ้งซ่านจะมีวิธีทาใจให้เป็นอุเบกขาได้อย่างไรคะต้องใช้สติไง ใช้คำบาลรคำพุดโทนะ่ดีที่สุดเวลาเกิดความฟุง้งซ่านขึ้นมาหรอท่องบทสวดมนต์ก็ได้เราจะบทสวดไหนได้สวดไปเลยสวนสู้กับความฟุง้งซ่านส่วนนิติพิโสไปหลายๆจบก็ได้มีคำถามมาข้างหลังคำถามจะพูดเราฟังนะกุติค่ะ รู้สึกสงบและมีความสุขเวลาฟังพระอาจารย์เทศหลังจากนั้นจะชอบนําความคิดการกระทํามาพิจรารณาหาเหตุผลและข้อธรรมอย่างนี้คือการใช้ปัญญาหรือเปล่าคาหรือเป็นการทําจิตฟุ้งซ่านเป็นการท่าทบทวนธรรมะมันก็เป็นการใช้ปัญญาเพราะว่าธรรมที่เราได้ยินได้ฟังถ้าเราไม่เอามาทบทวนเดี๋ยวเราก็ลืมได้ดังนั้นธรรมที่มีคุณมีประโยชน์ที่เราสามารถนามาใช้กําจัดความทุกข์ได้ เวลาเราได้ยินได้ฟังเรารู้วิธีเพื่อความมั่นใจเพื่อไม่ให้มันหลงให้ลืมเราก็ต้องพยายามมานั่งคิดบ่อยๆคิดถึงวิธีดับความทุกข์บ่อยๆคิดแบบนี้ไม่ฟุ้งซ่านคิดแบบนี้แล้วใจจะสงบใจจะเย็นใจจะสบายคำถามจากทางยูทู e พระอาจารย์สุชาติค่ะถ้าตายขยันไปสุขคติถ้าตายขี้เกียจไปทุคติใช่ไหมเจ้าคะ ไม่ความขยันขี้เกียจไม่ได้พาให้เราไปสุขคติหรือทุกขคติการกระทำบาปพาให้เราไปทุกขคติการกระทำบุญพาให้เราไปสู่สุขคติขยันหรือไม่ขยันนี้ถ้าขยันก็จะทําทำได้มากถ้าขี้เกียจก็ทำทำได้น้อยหรือไม่ได้เลยเท่นั้นเองความขี้เกียจความขยนันแต่ไม่ได้เป็นตัวว่งชี้ว่าเราจะไปทุกขคติหรือไปสู่สุขคติทุกขคติเกิดจากการกระทาบาป เช่นฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดโกดื่มของบุญนเมาเป็นต้นอันนี้จะพาเราไปสู่ทุกขติถ้าอยากจะไปสู่สุกติก็ทำบุญทาทานรักทำบุญทาทานแผ่เมตตาให้ความช่วยเหลือกับคนนั้นคนนี้ให้ความสุขกับผู้อื่นอย่างนี้เรียกว่าเป็นการทำบุญไปสู่สุกติคำถามจากทางเฟซบ o ๊กค่ะ ทำไมเวลาอยู่คนเดียวหรืออยู่กับคนอื่นเรามีสติรู้ทันและหยุดอารมณ์หงุดหงิดได้ดีกว่าอยู่กับคนใกล้ตัวที่เป็นที่รักของเราคะเพราะเรามีความยึดมั่นถือมั่นมากก็เลยทำให้เราขาดสติความอยากของเรามันจะเป็นตัวทำให้ทำลายความสติของเราถ้าเรากับคนที่เรารักเราก็อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นเราก็เลยสติแตกขึ้นมา แต่ถ้าเราอยู่กับคนอื่นนี่เราไม่มีความผูกพันมากเราก็สามารถที่จะไหวยวางเขาได้เขาจะทำอะไรก็ไม่ทำอะไรก็เรื่องของเขาเราก็สามารถรักษาสติของเราได้ได้ดีกว่าคำถามจากทาง facebook ค, ค่ะถ้าเราทำบุญเยอะแบบพร้อมตายนี้เป็นทำไหมเจ้าคะพร้อมตายเหรอ ถ้าทําบุญเยอะแบบพร้อมตายเป็นทําไมเจ้าคะ่ะไม่ไงทําบุญแบบพร้อมตายทายังไงเข้าใจว่าทําบุญแบบไม่กลัวจะเหลืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าค่ะก็อธิบายมันดียวก่อต่อไปเดี๋ยวก็ไม่ตรงกับค <c oughs> าําถามต่อไปล้วก็เสียเวลาตอบถ้าเราเตรียมตัวตายยอมรับความตายได้เนี่ยอันนี้เป็นบุญมากเพราะว่าใจเราจะเย็นใจเราจะสงบใจจะเราไม่หวาดกลัวกับความตายต่อไป ถ้าเรายังไม่พร้อมตายใจเราจะหวาดกลัวใจเราจะกังวลใจเราจะทุกข์อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราพร้อมแล้วยอมรับความจริงว่าร่างกายนี้มันต้องตายแน่ๆไม่มีทางเป็นอื่นได้ถ้าเราพร้อมที่จะให้มันตายได้ไม่ต่อต้านยอมหยุดเย็นยอมตายห ย, ยุดการ ต, ต่อต่อสู้กับความตายคือหยุดการที่จะฝืนไม่ให้มันตาย ใจก็จะเย็นใจก็จะสงบใจก็จะสบายนะมีคำถามอะไรไหมไม่มีแล้ววันนี้มีใครอยากจะถามอะไรไหมเชิญถามได้นะเดี๋ยวรอสักประเดี๋ยวอาจจะมีคำถามกำลังส่งเข้ามาอยู่กำลังเดินเข้ามานะ ใช่หรือเปล่ายพูดผ่านทางไมโครโฟนเดี๋ยวจะได้ยินปัดกันมีสองคำถามค่ะคำถามแรกจะถามว่าเราจะสามารถคลายจิตที่ตั้งมันเขาเรียกว่าจิตที่ไปยึดติดอะไรที่ไม่ควรจะยึดได้ยังไงบ้างคะก็ต้องใช้ปัญญาให้เห็นว่าสิ่งที่เรายึดติดเป็นของไม่เที่ยงของยึดทำให้เราทุกข์ต่อไปแล้วเราจะสร้างปัญญาตรงนี้ได้ยังไงคะก็คิดบ่อยๆ ทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนไปวันนี้ดีพรุ่งนี้อาจจะไม่ดีก็ได้ถ้าเราไปยึดไปติดกับสิ่งนี้วันนี้เขาดีเราก็ดีใจพอพรุ่งนี้เขาเปลี่ยนไปเขาไม่ดีเราก็จะเสียใจถ้าเราไม่ยึดไปติดเขาปล่อยเขาเขาจะดีเขาจะไม่ดีก็ เ, เรื่องของเขาเราก็จะไม่เราก็ไม่ทุกข์ใจต้องมองเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตารู้จักไหมอันนี้จังแปลว่าอะไร อนัตตาอนัตตาคือเราควบคุมสั่งเขาไม่ได้เขาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศลมพัดฝนตกแดดออกนี่เราไปสั่งเขาไม่ได้คนจะดีคนจะไม่ดีเราก็ห้ามเขาไม่ได้คนจะเป็นคนจะตายเราก็ห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราปล่อยได้เราก็ไม่ทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดเราก็จะทุกข์ที่จะปล่อยมันยากเพราะเราไม่มีกำลังปล่อยกัน วิธีจะช่วยทำให้เราปล่อยได้เราต้องฝึกสมาธิเวลานั่งสมาธิจิตสงบจิตจะปล่อยทุกอย่างชั่วคราวพอเรารู้จักปล่อยแล้ ว, ลวเราออกจากสมาธิมาพอมันจะไปะยึดอะไรเราก็หยุดมันได้ทันทีฉันต้องฝึกฝึกสตินั่งสมาธิให้มากๆให้จิตนิ่งสงบให้ได้แล้วเราจะปล่อยว่างได้สาธุครับคุณ่ัง คำถามจากทาง Facebook ค่ะถ้าเราภาวนาจนจิตรวมเป็นสมาธิได้แล้วครั้งต่อไปจะทําให้เราหลับตาเข้าสมาธิได้ง่ายและเร็วขึ้นไหมคะก็แล้วแต่ว่าสติเรายังมีเหมือนเดิมหรือเปล่าสติเรายังอาจจะไม่สถียืนยังอาจจะขึ้นๆลงๆอยู่ก็ได้ครั้งนี้สงบแต่ครั้งหน้ามันอาจจะไม่สงบก็ได้แต่ถ้าสงบถ้าสติเราเริ่มมีความสถียืนเริ่มไม่เฉื่อม มันก็จะเข้าได้ทุกครั้งที่เราต้องการอยู่ที่สติเป็นหลักดังนั้นหลังจากที่เราได้สมาธิออกมาแล้วเราต้องรักษาสติต่อไปไม่ใช่ปล่อยสติไม่ไม่เจริญสติอยู่เรื่อยๆคราวหน้ามานั่งมันอาจจะไม่สงบเหมือนคราวนี้ก็ได้คําถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะนั่งสมาธิภาวนาได้ไม่นานพอโรคกระดูกสันหลังเวทนารุมเรา้าทําอย่างไรดีคะ ก็มีสองทางทนต่อไปอยู่นั่งต่อไปถ้าไม่ทนก็เลิกถ้าทนก็จะได้ธรรมะได้อาจจะได้บรรลุธรรมถ้าไม่ทนก็จะไม่ได้บรรลุวิธีก็พอมันเจ็บมันปวดก็ต้องขยันบริกรรมพุทโธให้ไม่ให้หยุดเลยให้มันคับติดกับใจเราไปเป็นหนึ่งอันเดียวกับใจเราเลยใจเรามีแต่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่อย่างเดียวถ้าทําอย่างนี้ได้แล้ว ความเจ็บปวดของร่างกายจะไม่เข้ามาในใจแล้วเราจะอยู่กับกับความเจ็บปวดได้หรือไม่เช่นนั้นจิตก็จะรวมเป็นเป็นสมาธิแล้วแยกออกจากกายชั่วคราวไปเลยคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะถ้าเราอยู่วัดทำบุญรู้สึกสงบแต่กลับบ้านไปทะเลาะกับสามีทะเลาะกับภรรยากับบุตรหรืออื่นๆการทำบุญนั้นไร้ผลไหมครับ ไม่ละบุญที่ทำไว้ก็ยังอยู่ในใจเราอยู่พอกลับบ้านเราก็ไปสร้างบาปใหม่แทนที่จะไปสร้างบุญต่อเราก็ไปทะเลาะ ก, กับคนนั่นทะเลาะ ก, กับคนนี้คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะอยากมีโอกาสไปใส่บาทพระอาจารย์สุชาติมากๆค่ะตอนนี้ยังไม่มีโอกาสไปค่ะแบบนี้เรียกว่ายึดติดไหมนะคะ เลยฟังทมจากพระอาจารย์แล้วใส่บาตรให้ทานตามกำลังไปก่อนคะ่ะพระอาจารย์บอกทำบุญที่ไหนก็ได้คะ่ะใช่อย่าโมเลยจะามาก็มาทำไมถ้าไม่มาอย่าหลอกให้ดีใจคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ การที่เราออกจากภาวนาแล้วเห็นร่างกายหายใจเองโดยที่เราไม่ได้ควบคุมคือสมาธิที่ถูกต้องใช่ไหมคะไม่ใช่มีสติถ้าเราเห็นลมหายใจก็แสดงว่าเรามีสติถ้ามีสมาธินี้จิตจะนิ่งสงบจะไม่รับรู้เรื่องลมเลยก็ได้ เ, เวลาออกจากสมาธิมาก็จะมีสติก็จะเห็นลมหายใจต่อได้คําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะ ยอมป่วยโรคร้ายทำบุญพร้อมตายคือจิตจะเกาะเกี่ยวกับบุญตลอดทำบุญทุกวันจะมากจะน้อยเปลี่ยนรูปแบบการทำบุญด้วยช่วยให้จิตใจไม่ค่อยกังวลกับความเจ็บป่วยของตนเองฝันดีมากกว่าฝันร้ายขอบพระคุณก็ได้บุญแต่ยังไม่ได้ละร่างกายทาละร่างกายต้องยอมตายไม่กลัวความตายเห็นร่างกายว่าไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำนมไฟ อันนี้ก็จะได้บุญขั้นสูงขั้นของพระโสดาบันเลยแต่ถ้าทําบุญใส่บาตร ท, ทาบุญสร้างอยสังฆทานอะไรต่างๆนนี้ก็จะได้สุคติได้ไปสวรรค์ชั้นชั้นเทพบุญมันมีหลายระดับด้วยกันทํท ท, ทานก็จะได้สวรรค์ชั้นเทพนั่งสมาธิก็ได้สวรรค์ชั้นพรหมตรงตรงอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาก็จะได้ขั้นอริยเจ้าดันม่มีเป็นหลายขั้น แต่ต้องทำเป็นขั้นๆไปขั้ น, นด้นก็ทำทานเพื่อไปเทศไปสวรรค์ชั้นเทพก่อนแล้วก็มานั่งสมาธิเพื่อไปสวรร์ชั้นพรมต่อจากสวรรค์ชั้นพรมแล้วก็เข้าไปสู่สวรรค์ชั้นอริยเจ้าด้วยการพิจารณาตายรักษอ น, นิจจังทุกขงังอนัตตาปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาคำถามจากทางเฟ e บุ๊ก ค, ค่ะการเห็นว่า จิตไปรับอารมณ์ต่างๆสลับกันไปเรื่อยทางหูจมูกตาหรืออื่นๆใช่เห็นการเกิดดับหรือไม่คะก็เห็นการทํางานของสภาวะธรรมแต่ยังไม่ยังไม่ได้พิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องพิจารณาว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถึงจะเห็นว่าได้เห็นเป็นปัญญาขึ้นมาเห็นเฉยๆยังไม่มีประการปฏิบัติการนี้ยังไม่ถือว่าเป็นประโยชน์เห็นแล้วต้องปล่อยวางไม่ อย่าไปทุกข์กับมันถ้ายังทุกข์กับมันอยู่ก็แสดงว่ายัางไม่ยังไม่ใช่ปัญญาถ้าปัญญาแล้วเห็นแล้วจะวางเฉยได้คำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะสมาธิสมาถาภาวนาต้องฝึกให้มั่นคงก่อนถึงจะไปต่อวิปัสสนาภาวนาใช่ไหมคะถูกต้องเพราะวิปัสสนานี้เรามีไว้เพื่อรักษาความสงบาจากสมาธิถ้าเรายังไม่มีความสงบาจากสมาธิเราก็ไม่รู้จะไปรักษาอะไร ยังต้องมีความสงบก่อนเมื่อความสงบแล้วเวลาออกจากสมาธิมาเราก็ใช้ปัญญาคอยกำจัดเหตุที่มาทำให้ใจเราไม่สงบก็คือกิเลสตัณหาต่างๆด้วยการพิจารณาตายรักในสิ่งที่กิเลสตัณหาต้องการคำถามจากทาง Facebook ค่ะถ้านั่งสมาธิดูลมหายใจจนหายไปเราสามารถภาวนาพุทโธต่อไปได้ไหมคะหรือควรปล่อยให้นิ่งว่างไปคะ คนจะปล่อยดีกว่าอย่าไปกลับไปหาพุโทโธตอนนั้นไม่จําเป็นจะต้องมีพุโทโธให้รู้เฉยๆไปให้รู้ตอนนี้จับลมไม่ได้แต่ก็จับอยู่ที่เดิมอยู่ก็ได้เดี๋ยวลมเมื่อก้า จ, จะกลับมาก็ได้อ่ามาแล้วเขาอากาศพระอาจารย์ค่ะ อ, อมีผู้กล่าวไว้ค่ะว่าในเมื่อมีอายตนะอย่างเช่นตาหูจมูกลิ้นกายและสมอง ฉะนั้นความคิดจะต้องมีขนาดใหญ่จึงที่จะต้องละซึ่งความคิดเจ้าคะมีประโยชน์อย่างไรเจ้าคะมันไม่เกี่ยวกันความคิดนี้มันอยู่ในจิตมันไม่ได้อยู่ที่อายาต น, นนะฟังยัยแล้วจิตเป็นธรรมชาติที่ชอบคิดและคิดไปในทางที่ทำให้มันทุกข์ให้ใจทุกข์คิดไปในทางความโลภความโกรธความหลงอ่าจิตคิดไม่ถูกทางเราต้องมาแก้ตรงนี้หยุดคิดก่อนอย่าให้มันไปคิดในทาง โลภโกรธหลงก่อนพอหยุดมันได้แล้วก็สอนให้มันคิดไปในทางธรรมคิดไปในทางอ น, นิจจังทุกขังอนัตตามันจะได้หายทุกจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็จะใด้ยังค่ะหนูสงสัยไงคะว่ากระบวนการทํางานของสมองมีความเกี่ยวข้องกับความคิดไหมไม่เกี่ยวเลยสมองก็เรื่องของสมองจิตก็เรื่องของจิตของเราตัวกันสมองเป็นการทํางานของร่างกายที่เกี่ยวกับการประสานการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกาย ต้องใช้สมองเป็นผู้กำกับเป็นผู้สั่งเป็นผู้เป็นส่งสัญญาณให้ยกแขนยกขาขึ้นอะไรอย่างนี้ต้องใช้สมองเป็นผู้คอยคอยประสานงานผู้ยังไงแต่ความคิดอยู่ที่จิตสมองคิดไม่เป็นสมองรับคำสั่งจากความคิดอีกทีวางทีบอกให้ลุกสมองก็สั่งไปที่ร่างกายเออขยับขึ้นมาลุกขึ้นมาอันนี้เป็นการทำงานของสมองอเจ้าค่ะแล้วไอ ตัวสังขารนะเจ้าคะพระอาจารย์ก็เนๆๆคือความคิดไงสังขารก็คือความคิดภาษาบาลีเราเรียกสังขารความคิดปรุงแต่งแต่สังขารมันมีสองความหมายสังขารความคิดแล้วก็ร่างกายเราก็ไปเรียกมันว่าเป็นสังขารอย่างนี้แอันนี้ไม่ใช่สังขารร่างกายสังขารความคิดที่ <ๆ S 2> พูดถึงอย่างนี้ไอ้สังขารตัวนี้คืออยู่ในกระบวนการของอวิชชาใช่ไหมคะอยู่ในจิตในจิ ต, จตมันในกระบวนการของวิชชาเป็นส่วนหนึ่งของประกอบส่วนประกอบของจิต ยันนี้อยู่สีส่วนด้วยกันมีสังขารเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาก็คือความจําได้หมายรู้สังขารก็คือความคิดปรุงแต่งวิญญาณก็คือการรับรูปเสียงกลิ่นรสผดท่าภาคเข้ามาในใจนี้นี่คือเป็นเป็นคุณสมบัติของจิตอยู่กับจิตตา จิตไปไหนสี่ตัวนี้ก็ไปกับจิตเหมนกับร่างกายเราเนี่ยเราไปไหนก็แขนขาเข้าไปกับเรามาไปกับร่างกายเป็นส่วนประกอบของจิตไม่มีวันสิ้นไม่มีวันหมดแต่มันเกิดดับเกิดดับมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็มันคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างหยุดคิดบ้างเวลามันเหนื่อยมันก็หยุดคิดอันนี้เรียกว่าไม่เที่ยงเจ้าค่ะแล้วไอ้ตัวเอาวิชานี้มันมาเกี่ยวอะไรกับตัวสังขารเจ้าค่ะ อ ว, วิชชาคือว่าความไม่รู้ความจริงหรือความหลงไม่รู้ธรรมชาติของจิตว่าเป็นอะไรจิตโดยธรรมชาติมันเป็นตัวรู้เป็นธรรมชาติเป็นเป็นธาตุรู้ไม่มีตัวตนแต่อวิชชาไปหลงคิดว่าจิตมีตัวตนแล้วสิ่งที่จะห้ามให้จิตมีความสุขก็คือการไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสกอันนี้คืออวิชชาความหลง <S <S ความจริงแล้วจิตไม่ต้องไม่ไม่ต้องการมีอะไรความสุขของจิตอยู่กับความว่างความสงบ แต่ไม่รู้ความจริงกันนี้ก็เลยดินไปหารูปเสียงกลิน่นรสก็ต้องไปมีร่างกายพอไปมีร่างกายก็ต้องไปทุกข์กับร่างกายเกิดแก่เจ็บตายอก็เวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆร่างกายนี้พอหมดไปความอยากก็ยังไม่หมดก็ไปหาร่างกายใหม่ต่อพระอาจารย์แล้วไอ้ตัวจิตที่แท้จริงเนี่ยที่มัน มันมันอยู่ตรงไหนคะอยู่นอกอวากาศอยู่ว่าอยู่ในโลกหรืออยู่ที่ไหนคะอยโลกทิพย์อยู่โลกทิพย์ใช้ใช้สมมุติว่าอยู่โลกทิพย์เหคะก็เขาเรียกว่าโลกทิพย์ไงโลกของจิตวิญญาณเวลาเราตายไปเนี้ยจิตของเราก็อยู่ในโลกทิพย์กันทุกคนแล้วโลกสวรรค์ก็อยู่ในโลกทิพย์พระอาจารย์ทราบไหมคะว่าใครเป็นผู้สร้างหรือว่ามันเป็นของมันเช่นนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติไงไม่มีใครสร้างเป็นเรื่องเหตุปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องกัน ตัวที่สร้างก็คือธาตุทั้งหกธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศจะธาตุแล้วก็ธาตุรู้เนี่ยมันมาผสมกันมามีปฏิกิริยามาร่วมทำงานกันมันเลยทำให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นมาในโลกนี้เกิดดวงดาวเกิดดวงอาทิตย์เกิดโลกพระจันทร์นี้ก็จากธาตุทั้งหกนี้ไม่มีใครเป็นคนสร้าง กระจ่างพอพอจะเข้าใจได้ขึ้นเยอะเลยเจ้าค่ะเพราะว่าแต่ก่อนโยงเข้าใจว่ า, าที่เรามีความคิดเป็นเพราะว่าเรามีสมองเราเวิชา <c oughs> ไม่ศึกษาจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์ <c oughs> คิดไปเองไง <c oughs> คิดไปเองก็หลงเลยเอวิชาข้าวพอมาอีกทีหนึ่งแต่ว่ามันก็ไปแย้งกับที่หลวงตา ม, มหาบัวคือไม่ตอบคําถามด้วต้องศึกษาจากพระพุทธธรรมพร ะ, ระสงฆ์มันจะได้คําตอบอย่างแท้จริง ค่ะมันเนี่ยค่ะท่องสังเทศฟังธรรมบ่อยๆศึกษาธรรมะบ่อยๆค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าข่าพระอาจารย์สาธุอจารย์าลนะวันนี้คำถามก็พอสมควรเวลาก็หมดพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปที่นิิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรม ย, ยิ่งขึ้นไปเถิ